<c oughs> อืมอ้าวสมควรเจะเวลาแล้วถอนสติออกมาฟังเบาสูฟังเดอ้อบเพ็ญเ้าหายเหตุนำ้ำพอว่าพระพุทธเจ้าคนบาห้เสียผู้บาอาจารย์บาห้เซอหนังสือตำล่าบให้เสือได้ยินแต่ข่าวเราลืมมาบให้เสือที่เขาผ้าทามา ให้เชื่อยังเลยพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนใหุ้เหตุยังได้ตัดอเวลาพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้คราวาสจ้าโยมสําหรับคราวาสคลองเรือนคือทานศีลบุญทานศีลภาวนาอันมีบุญใจเป็นบุญใจกับเป็นภาวนาคือมีสติมีสมาธิมีปัญญา คนเฮาขาดการทำบุญแต่แต่ทำทานจมื่อนนี่ไปวัดทำบุญทำทานไปวัดทำบุญทำทานแต่ว่าบุญบวชทำกี่ตัวเจ้าของกี่ตัวมูพวกลทำทานทำเป็นได้บุญทำบวเป็นได้บาปของแข็งแข็งกับสาบาทดอกไม้ของหอมกับสาบาทหวดแบวนถิ่มปกใสาบาทเข่าสารกับสาบาทแต่ผู้ส่บาทกับพวกินเข่าสาร ดอกไม้จะาใส่บาดโยมเขาหน่อยตั้งใจดีแล้วจากมาใส่บาทนไปผสมกับอาหารเขาฉีดยาใส่ดอกไม้พระ ก, กินตายจะได้บุญบ้าล่ะหรือว่าสะว่าพระโง่ก็กินหลอดใสดอกไม่นั่นละ่ะเพราะว่าเข้อใจเข้าขาดการทําบุญโดยเนี่ยพวกมีสมาธิพวมีปัญญาเช่าไทยเช่าพุทธเป็นตะอาย บ, บ้มิตรขากัน มิตพ่นกันคดโกงกันหลอกล่วงกันปีนป้อนเอารัดเอาเปรียบตีเข่งวิ่งเหล้าป่นสะดมเมืองไทยเมืองพุทธเห็น่าเมืองพุทจังใดสิมากโกหกพว ก, กร่วมปีนป้อนหลอกล่วงกันในทุกหน่ายลำบากตากตาําแทถจงทําดีปีไมหมเราจงทํำดีเห็นว่าควนได้ก็ว่าดีขโมยได้ก็ว่าดีฆ่าเขาได้ก็ว่าดีทุกทันตี เต็มขูดเต็มตาล่างยี่ปุ่นนะเขาทําดียังไงท่านบระคาดึงถึงค้อมดีถูกต้องหรือดีถูกใจมันมีสองอย่างหนึ่งถูกต้องสองถูกใจเพชรยังจะถูกใจถูกใจจับจัดเ ย, ย็ดในพระลําบากกะว่าทําบุญบุญคือของเบาเบาเมื่อกี้นี่ล้มขคลล้มออกอย่างเบื่อเบื่อท่านอบอกทุกเทีอบอกทุกครั้งมายังไดก็บอกจะถิมเด้อทาบุญ เมื่อหนึ่งหนึ่งหน้าที่ถามผู้ใดก็บอกว่ามาได้เห็ดมาได้เห็ดเห็ดมาได้ทํำมาได้มันยงงใจยุงงงงแล้วผมมีปัญญาคนเราชอบยุ่งฟังาพระพุทธเจ้าเรื่องยงงงมาเห็ดมาทํา้องความมันยุงงว่าเอาได้ไหมงงอีกไลทวไหมมันถึงได้เมื่อกี้นี้จุดทูบจุดเทียนกับว่าจุดมันเป็นโรคบอดวมเคย จุดเทียนเอาน้ำตาจุดเทียนมันเป็นน้ำตาเทียนหลายไปปะพุมน้ำพุนถือตาเด็กน้อยตาเด็กน้อยอักเสบเด็กน้อยมันหลับตาเพรเป็นเนี่ยนมพมน้ำพระปม่อม น, มนไม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์จุดน้ำทูบเทียนด้อยู่น้ำพระเป็นเหตุเป็นสิริเป็นมงคลกันได้ทูบเทียนเป็นมงคลสิ ม, ม่อนพระมาเหตุอย่งกันมันเข้ามักงง ประตลั่งกิตตังธรรมชาติใจทุกดวงใสสะอาดสัมภเวสียังแสแวงหาที่เกิดอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากว่าประพันธตลั่งคือจิตใจมันใสสะอาดใจบ่มีร่างกายแสแวงหาปฏิสนธิแสแวงหาที่ไปเกิดน้าผู้ใดนาะไปเกิดน้าผู้ใดนาะคุณดีแตมีบุญหลายก็ได้กไเกิดน้ำผู้มีบุญ ติดโฉมมนุษย์สัพติลาโพติดฉังพุทธสมุปปังติดฉังสัตตมัตสวนรังนั่นการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐการได้พบทำคําพระพุทธเจ้าก็เป็นลาบประเสริฐการได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นลาบประเสริฐเป็นลาบความแหงหรือเด้็ดอะนรยังอย่างเดียวคือว่าสิกินบอ่อาหารใจติดกระทั้นบ่พระพุทธเจ้าหามาแทบทุก แทบล้มแทบตายหาอยุหกปีจึงไรตัดทะลูเป็นพระพุทธเจ้าหามาสอนคนหู่จักว่าเจ้าของเป็นคนบ่สอนคนเป็นเพื่อนบ่ไดสอนคนตายแต่เห็นสวรรค์แต้เห็นพระนิพพานยังมีชีวิตอยู่อันเบิงก็เห็นกังห้ออันบอเบิงจะเห็นจิงหู้ได้จังไรคือม่านีคือกันแล้วไปถามผู้ิบุญจักเขาก็บอกว่าถิก แต่าเมื่อสวรรค์กันพระโบฉักเมืองสวรรค์พระที่บอกคือว่ล่ะโบเป็นตําหน้พระด้ทดียวกับโบเว็ า, ารพ ร, าร้เฮืธอเนอโยมมาทําอะไรตบายทั้งคาถาเจ้าข้าจุูาจิตยานตบายนักคาถาตรวจน้ําโยอมก็มาบอกทําบุญไปนี้ น, น, นโบก็เห็นบุญสิทานสินบุญ น, นั่นคําของพระเจ้าจะไปเสีอพระ น, น่ะพระเจ้าคนใหนเชื่อพระพุทธเจ้าเด็เชื่อเหตุผลเขาบอกว่าฉักเหตุผลบอก ว่าเบื้งอาหารใจบ่รักษาใจว่เห็นใจบ่มีสติบ่มีปัญญาถึงจะจักเหตุผลถูกต้องก็ถูกใจเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงยอดมีอย่างเดียวด้วยเนี่คนไทยคือขาดการทำบุญขาดการดูใจขาดการแต้งใจขาดการรักษาใจรักษาให้หนังร่างกายรักษาตัวอะไรก็เท่าก็แกะก็เจ็บกะตายนั่น บาดใจพ่อโถ่พ่แก่พ่เก็บพ่ตายอาหารใจพ่อได้ซื้อจักบาทได้ซื้อพ่อล้มหายใจเขาออก อ, อ๋อถามเขาไปแม่ถามใจเขานะ่ะยังจังเพ็ดว่าได้สินทำที่เราสถาโกดแตรัตุรู้ยากที่สามัญชนคนมีเจเลเจะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้ต้องผู้ใดจะเห็นได้บัดต้องค้นพนิเศษจากปุตชชนคนนี้ ท, ท, ท, ทั้งๆแค่นี้ดิแค่ล้มหายใจเนี่ยเป็นทางว่าเพ็ดว่าได้หรอ มันค่าเนี่ยแล้วโลกะคือความมืดครอบงําสัตว์โลกนั่นม่นยังความมืดล่ํารวยสวยงามใจของคนมันไปตกมอนรกมนลมอนรกคือล่ารวยสวยงาม ม, มอนอโลคมอญัยเอ้าถามก็ไปมึงลูกเป็นมอนรกว่าะขันล่ํำรวยเหรอดิน้นรนกดแกงแสวงหาเพราะอยากล่ํารวยล่ารวยมาแล้วเขมาม่ยืมบอมาขึ้นให้ฟ้องร้องกันถามสองสามครั้ง ที่3ามเียีเอาปืนไป น, ไนปั่ให้หรือไม่ให้ยวมาแล้วกี่ล้านกี่ปีให้หรือไม่ให้อยนถามไปถามมายกปืนออกมาแล้วเอาไปมากับจํานองจองจำมีบ้านบ่อใดมีหน้าบ่อใดมีที่ดินไปหาจามานั่นเป็นมโนหลกบ่อหอนบ่อคือยิ่ดีแต่น้ำลำลวยสวยงามก็คือกันนั่นละมันกันไว้เพชนนิ่นจินดาราคาเป็นแสนเป็นล้าน แต่งัานได้สามเดือนที่เดือนตะ ล, ลาเตียงหักแล้วพูกยิ่งไปบอกผู้ใช้ผู้ไดผู้ใช้ไปทำงานบวกกลับบ้านตามเวลาจมให้กันทำไมกับบ้านดึกเดินเพื่อนเรียกไปกินข้าวทานอาหารนั่นอยู่บ้านก็เตรียมอาหารพ่แห้งทำไมจะไปกินที่ไหนเราฟอกไปฟอกมาไปหาแว ะ, น, แวะนั่นแวะนี่บ้านน้อย บ, าอยบา้านใหญ่เต็มตัวเป็นนรกบ้าบันนี้ ทะเลาะกันแล้วละเอียดเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าฟังให้คกัคกๆเดียนั่นละ่ะเปนรายยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ทั้งท่าที่เราอยู่กับลมทำไมไม่ดูลมเห็นลมเห็นใจเห็นใจเห็นบุญสุขื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นนั่นเปงสงบมุจื่อเห็นบ่ ก้มสุกเห็นบ่สวรรค์สวรรค์ในอกนโลกในใจหนึ่งนาทีค้มสุกหนึ่งนาทีถ้าตลอดชีวิตก้มสุกที่สไ้ไหดนั่นพระเจ้าผู้ทรงคนอยู่้วยควมสงบอคนไม่รักโลกโกรธลงมาเต็มข้อมหัวใจไม่ได้ยินสิอาจารย์ทุรมพันเทศจัจนทบุรีพวกโง่เงาเต่าตนุนอนกอดของูวดของเน e มุจักว่าสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นปฏิมาจมหนังจมว่าบว่สะอาดเป็นจังไปนั่งกอดของบูดของเราก็สอบปฏิกูลเคลื่อนตัวได้ในโตคนเนี่ยเอาถอดออกไปแม่ถอดเสื้อผ้าก็ไปแม่ถอดหนังก็ไปแม่ถอดกระดูก้าไปแม่สะก็ไปหันไม่อย่างแน่แม่งของบูดของเราคือเพันว่าบว่าพระเจ้าว่าคำใดที่พิจารณความจริงเหมือนว่าเสื้อพระพุทธเจ้า หาแต่เนี้ยผูกมัดมาจับของเอาตอนนั้นนาแปร ใ, ใจฟังคนเราชอบยุ่ง <c oughs> ห า, ม า, ามาแต่แรกก็มาแตงของบูดของเนาให้มันหอมหอมแล้วนําหอมแต่ว่าโตข้นเพหอมงามแล้วเสื้อผ้าแต่โตข้นน้องมันจะงามเพราะกัล่องผมเพตัดตัดตะมือเกิดเล็บมือเพราะตัดตะมือเกิดที่ไปหอดใสบุญเล็บไกลเขายังสั่นเข้าไปควดแย่จีนเล็บมือข้นมันจะหอดใส เปิดออกบังแตได้อย่างมันรู้มันขันอยู่ในป่าเขาจะว่ามันขีหลายก็ผีเป็นตัวเดี๋ยวผมจะมือที่ยังเซิงซึ่งสักก็เพราะยังล่ะก็เพราะบ่เคยทำบุญนั่นแล้วก็วัดทำบุญทำบุญใส่บาตรทำบุญใส่บาตรขนตัของไปพระยุงก็ว่าทำบุญทำบุญก็เบาเห็นว่าพระทำเหมือนนี่อ๋อแมนบ่สบายบ่ จุกื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นกันมีจุดนี้เน้นหนักชุดนี้หรกประเทศเขาบ่มีทะเลาะกันบ่มีอิจฉาฤิธิยาปัญญาบาดอาฆาตจองําจองเว้นบ่มีโกหกพกร่มกันเพราะคั่วเมตตาสงสารของเขาของเฮาไปต้มเขาต้มเฮาบังแนเฮามาต้มเขาบังแน่เขามาต้มเฮาบังแน่ได้ทีไปตีมาเพราะปัญญาคิดไปคิดมาว่าบาปเป็นทั้งไดบุญเป็นทั้งได ห, หัวใจว่าหรือปล้นได้จี้ได้เป็นบุญติ ขโมยได้โกงได้เป็นดีติทำดีติทำดีจังใดเดือดร้อนผู้อื่นและตนเองทำดีของพระพุทธเจ้าบ่เดือดร้อนตอนเองและคนอื่นเมืองไทยเมืองพุทธต่างประเทศเขามาเพึ่งพระอาศัยลมโพ่อลมพ่ายไปบุญพระพุทธศาสนาเมืองพุทธแต่เขามาโคดกโกงตั้งแต่ล่องเครื่องบินไปส่งโรงแรมให้น้อยพาเขาไปใส่แนบุญเป็นแต่ไดรมิตรเตอร์หลายอะ่ะ ติดต่อเขาไปเั่วงานที่ไหนจะไปที่ไหนมาบอกฉันนะหมู่จักว่าเขารวายทำปีตี้นั่น น, น, นีนน่ไปมากออกจากคตรโกงลหล่อหาทีวิทย์นกี้เออดีบัตคุณเจเลตแน่นหนาก็ไปความโลกเกิดหนาก็ไปความอยากเกิดหนาก็ไปก็เลยเมิดบอดก็ไปเรืมบาปติดตัวไปเป็นดาราอายว่าเมืองพูดอะ่ะเขาสวยงามไปควมเขินน้ำใจเขา กมเขนแล้วขคาพ่ออมปิดปากเป็นแต่จากไอ้วนมุดดินลงไปสิดใดมันจะเยนักไอหลายเมืองพุทเมืองพุทโอ้ยก็ิมหาเปซ็นเปยังไงเป็นสันน้นหน่อยว่าต้องเห็ุงานแนวอื่นประเทศไทยขอให้รับพี่น้องด้วยค้อมบริสุทธิ์ยุติธรรมเอาบอรเม็ดเงินคาต่องเที่ยวประเทศใดสนุกสนานหาเขารบกับไหวสักลาวบูชาสู่ประเทศไทยบ่ได้ ในทุกจังหวัดมีทุกหนทุกแห่งสถานที่ศักการะบูชาแต่ปขาดอย่างเดียวคือคุณธรรมของเจ้าของประเทศนั่นคือญาติโยมพุทธวัิสัตยของพระพุทธเจ้าลูกหลานของพุทธเจ้าไม่อยู่ในศิลในธรรมคนสุด ท, ท้ายใครเข้ามาก็เดือดร้อนประเทศไหนเข้ามาก็เดือดร้อนนั่นเพราะเขาอยู่ในกรอบของศิลธรรมชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาพุทธมิแต่อยู่ใน พระต้ปีดดกบยู่ในหัวใจคนบ่นมีศิลธรรมในตู้ไหนจะสู้ถิลธรรมอยู่ในตัวบริสุทธิ์ศิลธรรมอาหารใจบริสุทธิ์ในตัวเขามีกายครับใจสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายทาไมไม่ดูทำไมไม่รักษาทําไมไม่แต่งทําไมไม่ซักฟ อ, อกใจเครื่อนซักฟ อ, อกใจคือลมบริสุทธิ์ชักบาทของแต่งใจคือลม แต่มีล่มมีสามารถเกิดปัญญามีควรรอบลูกบาปบุญดีชั่วตัวนี้ตัวเดียวเอา้เอาขีดบังลูกในประเทศไทยพระเจ้าประสง์มีจักรูกวัดมีจักรวัดว่าใดสอนในทรรบุญที่เราคนของมาถวายพระถวายพระไปว่าน้ำจับพระอยากให้เน้นหนักจุดนี้ ท่านอยู่รักษาอยู่แต่จะใฉยเกินพอดีทับจะเกิดมาเนี่ยใส่ตะก้าสองใบตะก้าใบหนึ่งใส่ของแตงกายรักษากายเลี้ยงร่างกายอีกตะก้าใบหนึ่งของแทงใจของรักษาใจใบไดนติดเต็มก็การตะก้าสองใบจิตบังลู นกเล็กเล็กน้อยบางขู่บางกวนจักว่าเท่าไหนกระตาของเล่นเฉพาะของเล่นเน่กุฏิไงก้ากุฏิดูเรียนเขียนอ่านจบเป็นนั่นเป็นนี่อีเข้าได้บ่เนี่ยใบใจมึงรู้บ่าได้ซื้อจักบาทเบื้องบ่บ่เนี่ยอยู่ในตะกาของใจบ่มีจักเม็ดแล้วก็ถามมึงรู้นักการคาเกิดมาเบื้องกายกับเบื้องใจอันใดเบื้องหลายก็กันแต่งกายกับแต่งใจแต่งอะไรหลายก็กันถามเข้าไปหัวใจของเขานั่นปัจจตังรู้จำเพาะตนไม่ต้องไปถาม พระพุทธเจ้าใสหรอกพระพุทธเจ้าจะใหหัวใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้ใจรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาโรคกามิทูรู้แก้งโรคความเป็นจริงของโลกมันเป็นยังไงโรคภายนอกในตัวของเราโรคภายนอกโรคอยู่อาศัยโรคภายในเข้ามาอีกคือตัวของเราในใจของเราอีกนั่นนี่ก้อน น, น้อยๆถ้าก่อนให้รูก้ก่อน น, น้อยก่อนหี้ก็รู้หมดขันพึ่งคิดนี้ขันพึ่งใจพึง่งููถามก็ไปลด เกิดมากจี้ภพจี่ชาติเกิดมาเป็นยังไงที่เป็นตั้งไดนแน่เข้าไปหาใจนั่นแหะพระเจ้าจึงสอนพระเจ้าประสงค์ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นดอกคือบอกคนจีเราบอกตาเด็กก็บพ่รู้เรื่องว่าคนผู้จักสวรรค์นิพพานว้าตาเดกกับพ่รู้เรื่องก็บอกตาเด็กกับพ่อว่าตีหู้จังไรว่าก็บกังสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจนั่นเห็นบอกเจ้ากรรมนายเวรเขาอยู่ต่เระเขาไปลัด พญายามพิบัติรับถาถามพวกที่มาเกิดแล้วเวลากลับไปจะได้ยังไปเนาะแต่ถามมึงก้อนปูหยาตาย่อยน่าย่อได้ขอ ย, ย่อยขอย่ยขอตั้งงกตั้งไกว่าจะไปทําบุญตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำบ่ได้เบ่งสวรรค์บ่หนทางไปสวรรค์ไปทางใดตอบขอว่าได้มาจากเมืองไดร่พญ่ยไม่ยหอยมาจากเมืองนล็อกนรกคืออย่างไะมาจากเมื่อลำรวย มาจากเมืองสวยงามนั่นแหละเท่าสีทนนั่มนั่งมโนโลามโ น, โมโนโคือใจไปพ่อจุอใสไปพ่ออยู่เมืองผู้เงินพ่อนั่งมโนลาอยู่เพื่องผู้เงินหาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดมือจังพ่อหาง่ายเพหานั่งมโนโลาหาใจเห็นเพราะตงบอกจุดเดียวกันหาเพรัะนี้นะแมนว่าใจอยู่เมืองมโนโลา มโนผปังก็มาธรรมามโนเสรษฐามโนปยานั่นใจมโนโล่าอยู่อยู่เมืองพูงเงินไปพ่ออยู่เมืองพูงเงินใจของคนมันอยู่เมืองเงินอยู่เงินอยู่เงินอยากได้เงินหาบุ่วันวิ่นวันขี่เครื่องบินเชาา่ารถตะข้าสดใสก็บปวาเอามาหาอย่างเดียวอยากรวยเป็นถูกแล้วเกิดแล้วนั่นอยากสวยงามเกิดแล้ว น, นคือคว่าข้อมอยากม่รงร่มหายใจก็ออกมีข้อมอยากบ่สงบสุขบ่ เอาคำของกูเจ้ามาตอบใจของเขามึงรู้สุขื่นยิ่งขวบความสงบไม่มีถ้าเห็นจุดนี้สำคัญจุดนี้เห็นความสำคัญจุดนี้ต้องเบิง้งเต้นั่นแต่เคยเบิ้งโยกเจาะคำในเวรก็ถามกัว่าโอ้ยฉันเบิ้งสูเมยออยู่หนทั้งไปสวรรค์ฉันเห็นสวรรค์สุเมืย์อยเมื่อละหนึ่งนาทีก็อกันเคยเบิ้งกลับไปซะนั่นคือมานี่แล้วกันเคยหู้จุกต้องไปถามผู้ได้แล้วนะ ระไปภาคกันติสัจจะพระพุทธเจ้าได้สัตว์ตรู่เพราะสัจจะเฮาก็ต้องมีสัจจะวันหนึ่งต้องดูใจหนึ่งนาทีวันหนึ่งมีกี่นาทีทําไมจะดูใจไม่ได้แต่งใจไม่ได้รักษาใจไม่ได้หรืออาหารใจไม่ได้ซื้อนั่นอาหารร่างกายกี่อย่างวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงกี่ครั้งอีกสุดวยของแต่งอีกของประดับประดาอีกของเล่นเด็กรถยี่หอ้อบัดังกับวัตีป้ายว่ตแดงกับวัตี เป็นหนีเป็นศินรถชนกันปั๊บเป็นเรื่องเป็นเล่าตีกันปากแตกปากแดนตั้งประเทศก็เจ้ารถชนกันย่งางนี้ก่อยๆพรกกันเขาว่กพูดกันเองไปบ้านเขาอาจารยใครราคาแพงใครใหม่กว่ากันใครแพงกว่ากันเถียงกันไปแต่กมาตีกันเออเดินราคานี่ยมผิดเพี้ยนไปติดอยู่พี่ผิดเพี้ยนนั่นแหละเสียดายนะ เจ้ไทยเจ้าพุทธเจ้ไทยเจ้พุทธเสียใจนะทุกที่สุดคือหาที่เกิดอยากดูก็ถามใจเราหน่นแหละเราจะได้เกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเกิดมาหาศีลหาธรรมมาสอนคนว่าจะได้ตัดทะลุหกปีจึงได้ตัดตรูลมาสอนคนสอนค น, สอนคนมีชีวิตถ้าคนไม่มีชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถ้าเราเป็นคนก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเสียบ้างสิกราบไหว พุทังทนังกัามิทำมังทนังกัจามิสร้งขังสร้างนังกัจามินั่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวอะไรไปโรงพยาบาบลบหลวงปู่ให้ขนอยไปโรงพยาบาบลบวหลวงปู่เขน่อยป่วย ห, หล่ยหมอว่าหมอโรงพยาบาล น, นั้นดีโรงพยาบาลดีนี่เขาประเดี๋ยวตวจโรงพยาบาลธนังกัจามิตัวนั่นโรงพยาบาลใดรักษาคนใม้ตายเนมีโรงพยาบาลรักษาคนไม่ตายไปได้ แต่มีอยู่คือร่องผบาลของผู้เจ้าอยากให้อยู่ในร่องบานของผู้เจ้าคือนั่งบังลมหายใจก็ออกร่องผลาลของผู้เจ้าไม่อยากหลอดเดียวคือล่มท่นานรักษาได้หรอบ่มีเกิดแจ็คเสียตายบ่มีสุดยอดบอกร่องบานของผู้เจ้ามีร่องบานร่งเดียวที่ทำํำไมคนบูาตายต้องเชื่อจุดนี้เด้จังติเทสได้ทาได้ขันวเสือกระบ้าเลียนลองหอ ก, อกแรกๆถึงสั้นแล้วเข้าใจว่าพุทธนาตน า, นาเป็นตุ๊กตาเมื่ เฮ็ดเลนคัเลนสวดเล่นติชาลาตมมิชลังอนาติโตเรามีความแก่เกิดแล้วแก่เจ็บตายสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็เห็นตามคำพูดเด้แต่เห็นจริงตามคำพูดว่ามันเป็นเังสั้นก็เห็นจริงตามนั้นรู้จริงเห็นจริงพ้นได้จริงรู้อยู่แก่ใจนั่นกูได้พ้นได้เพรพ้นได้ก็ไปถามใจจุดๆนั้นล่ะ ก็ยากนั่นเบื้งล้มเขาล้มบอกก็ยากให้พระยามแน่นนักภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเมือ่อสักครั้ก็เป็นคุณเคยแล้วเพระเาะฉะนั้นเอานักแน่นนมันนี้แต่ว่าหลวงปู่หายสิเ้ี่ยบัด <c oughs> บัดไปออกจมบัแไ่ออกแทศสิเนีบั <c oughs> ดด้วอนาจบุญกุศลขอกต่านท่านชมทุกลาน้ยติปีน้องได้เสียจะละอาราธนาในมวลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสง์มาเป็นปีที่สิบแล้วว่างั้นนะ การนำดีที่ชอบจยางนี้เป็นสิริเป็นมงคลบุญกุศลตลอดทั้งพวกเราได้ยินทำคําสั่งสอนของพระเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็นําคําสั่งสอนของพระเจ้าไปฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยจิตใจของตรงเอ็นอยู่ในศีลในธรรมอำนาจบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเหล่านี้อํานาจบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลาโลกกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอาตนญาตโยมลูกหลานญาติพี่น้อง ตองมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงได้การเงินจึงได้พัฒนาสิ่งหนึง่งอันใดกระจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบตัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิต ด, ดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถอนสาธุ